ขออนุญาตถามคำถามที่เขาฝากไว้นะคะถามว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีอยู่ในชั้นคำสอนหรือไม่ประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองแล้วถ้าญาติของเราเนี่ยเขานับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมถ้าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในชั้นคำสอนเราจะชี้แจงให้เขาเข้าใจได้อย่างไร คมถามที่สามคือถ้าเราต้องอยู่ร่วมกับญาติผู้นี้เราจะทำยังไงอยู่ร่วมกันแล้วไม่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นไปในการเจริญบุญที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเจ้าค่ะอืมพราะโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเกิดบางยุคเ อ, อ่อบางชั้นประวัตินี่เกิดที่อินเดียเนี่ยกวนอิมเนี่ยนะคะกวนอิมมีสองภา ค, คภาคชายกวนอิมกับกวนอิมธรรมดา ภาคชายกับภาคหญิงแล้วต่อมาก็แพร่หลายไปที่ประเทศจีน<ะ>แต่ที่ประเภทของภาคของของความเป็นชายเนี่ยไม่เด่นต่อมาก็<ะ>กคือกวนอิมธรรมดาก็เด่นขึ้นกวนอิมธรรมดาเป็นยังไงก็เป็นนี่ที่ที่แพร่หลายมาที่พ่อแม่กวนอิมนี่เลยก็<ะ>คือสองภาคนะภาคชายเนี่ยก็ไม่เด่นภาคหญิงนี่เด่น<ะ>เกิดของของมหายาน ายุ ข, ของมแล้วพระโพธิสัตว์เป็นผู้หญิงไหมคะอ๋อเออพอเอินประวัติตรงนี้ถ้าถ้าให้ชัดนะมาแนะนำอย่างนี้รายละเอียดมันยาวมากแนะนำให้ไปอ่านหนังสือของทางเจ้าคุณประยุทธ์อาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์ท่านเขียนไว้ชัดเลยประวัติก็เป็นมาตรงนี้น เออเขามีมีเกี่ยวเรื่องของมีคนถามเพราะ อ, อท่านตอบได้ละเอียดมากแล้วถ้าไปตอบตรงนี้ก็ไปซ้ํากันดีกลยเนอท่านตอบได้ชัดเจนเลยในมุมมองวิธีคิดด้วยค่ะแล้วก็กรณีวิธีปฏิบัติด้วยอันนี้ในมุมของพระอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าเราต้องอยู่ร่วมกับญาติผู้นี้อะค่ะเราจะอยู่ยังไงโดยไม่ขัดแย้งกันแล้วก็<อ>เป็นไปในบุญสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะคือตรงนี้ก็คือคือก็ต้องต้อง ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราเราอยู่ร่วมกับสังคมนีสภาพของสังคมไทยในยเราก็เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยที่เขาถืออย่างนั้นก็ต้องพยายามให้เหตุผลว่าเขาถือโดยฐานะอะไรถือโดยฐานะขอความร่ํารวยขอความผาสุกอย่างนั้นไหมเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมในฐานะเป็นเทวดาเป็นเทพหรือไม่หรือเห็นว่าเป็นอะไรใช่ไหม ก็ขอให้เขาเข้าใจบอกว่าในชั้นคําสอนนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะเอาปัญญาเอาเหตุผลระดับสูงได้ต่างๆมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ก็เพียงแต่บอกว่าเขายังนับถือพระเจ้าอยู่ไหมถ้าเขานับถือพระเจ้าเขาบอกว่าเอาพระเจ้าเด่นกว่าได้ไหมอย่าเอาเจ้าแม่คนอิ่นมาเด่นกว่าพราะพเจ้าเลยเนี่ย ให้เขาชัดเจนสิแยกแยะไอ้ออกว่าพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านั้นเป็นเอกบุรุษของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกนะฉะนั้นจะอยู่ในฐานะว่ามาบําเพ็ญบา ร, รมีบานอะไรต่างๆเหงแบนี้แล้วก็ ก, ก, ก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนั้นน่ะในชั้นของพระบา ร, รมีมี10นะแล้วบาเพ็ญถูกตามนี้ไหมอะไรต่างๆ ก, ก, ก็ให้ดู อย่างกรณีที่โดยสํานวนถ้ากลุ่มทางท่านทาง ม, างมหายานก็จะมีคติก็บอกว่ามหายานเพื่อมหาชนเขาจะยอมพ้นทุกข์เป็นคนสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นหลักของเขาเลยใช่ไหมแต่ถ้าถ้าดูอย่างเนี้ยเขาก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งๆของเขานั่นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าไปเจาะเอาสภาวะกันเจาะเอาเหตุผลจริงๆเพ่อจะนั่นกันมันก็จะเป็นปัญหาแตกแยกกันแต่ถ้าหากเราก็บอกเขาบอกว่า วิธีการว่าก็คือเราจะสามารถชวนให้เขาศึกษาคําสอนตามรายละเอียดคําสอนเอาเหตุผลไปให้เขาเนี่มันน่าจะดูดีกว่าที่เราจะไปพูดหรือว่าไปโดยเฉพาะคือว่าขนาดคนต่างาศาสนาเรายังคิดหวังดีกับเขาได้เมตตากับเขาได้ไหมฉะนั้นการใช้ท้าถามว่าเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรหลักของศาลานิยธรรมเนคนปฏิบัติเมตตากายกรรมกระทํากับเขาด้วยเมตตา แล้วก็เมตตาวจีกรรมเมตตามาโนกรรมสาทนณโผเขียคือแบ่งปันเขามีศีลมีทิฏฐิที่ตรงก่อนตัวเราเนะี่ยแล้วก็พยายามให้มุมมองให้ข้อคิดกันไปเรื่อยๆเชื่อว่าเมื่อเขาอยู่ใกล้สัมมาทิฏฐิบุคคลขนาดนางวิสาขาใช่ไหมพ่อพ่ อ, พ, อพ่อของสามีจากมิจฉาทิฏฐิยังเป็นสัมมาทิฏฐิได้เลยใช่ไหมนั้นอุบาสกวาสิกาอยู่ในที่ไหนขอยแข็งแกร่งจริงๆท เราจะเปลี่ยนคนที่เข้าใจผิดให้เป็นเข้าใจถูกตามคําสอนพระเจ้าได้ขอให้ตั้งมั่นเนียให้ตั้งมั่นเถิดเพราะอุบาสกอุบาสิกาของพระเจ้านั้นจะแข็งแกร่งในคําสอนของพระเจ้ามากที่สุดจริงๆคนที่อยู่ใกล้จะเปลี่ยนตามเราไม่ใช่เราไปเปลี่ยนตามเขาเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยจะดี